ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่ร่มพระโพธิาณได้นำเสนอศีลบา ร, รมีมาโดยลำดับก็ปรารถนาที่จะนำในยะของคำวัศีนซึ่งปรากฏในพระคมภีต่างๆมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังในแนวที่ค่อนข้างวิจิตพิสดาร เป็นการเพิ่มพูนทั้งศรัทธาประสาทและความรู้ความเข้าใจในกรอบของศีลให้กว้างขวาง ม, มากยิ่งขึ้นแต่ปริยายเหล่านี้พึงเข้าใจว่ามันจะเหมือนกับแม่น้ำสักกี่ร้อยสายก็ตามแต่พอถึงจุดหนึ่งมันไหลลงทะเลไหลงทะเลแล้วจะมีรถเพียงอย่างเดียวคือรถเข็ม วันใยาของศีลก็คือปกติปกติมันก็มีอยู่สองระดับระดับหนึ่งก็คือว่าปกติภาพปกติสุขซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงแปรผันได้เพราะว่าจิตใจะยังอ่อนไหวไปกับอารมณ์ต่างๆตีปกติหนึ่งก็คือปกติที่ตัดขาดจากการล่วมละเมิดตอนนั้น ซึ่งก็เป็นระดับเขาเรียกว่าอริยกันตัดสินคือศีลที่พระอริยเจ้าชอบเราพอใจแต่ละการปฏิบัติจริงๆมันก็ไต่อันดับขึ้นไปตอนศีลจึงกลายเป็นสิขาบทคำว่าสิขาบทก็คือว่าก้าวหรือขั้นของการศึกษาแต่คำว่าศึกษาในความหมายของมุพุทธศาสนานั้นจะ เป็นนั่นหนึ่งเดียวกันระหว่างปฎิยักษ์กับปฏิบัติก็คือศึกษาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติก็มีการพิจารณาตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่คําที่ท่านใช้คําว่าศึกษาก็มีแค่สามคำคือศีลสมาธิปัญญาระดับสูงๆประณีตขึ้นแต่ก็เรียกว่าอาธิศีลอธิจิตอธิปัญญา แต่ก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเองแต่ผลของการศึกษาโดยสรุปก็คือว่ากิเลสบรรจายจางไปคลายไปบรรเท่าไปธรรมะเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นจนเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเราก็เรียกว่ามีธรรมะทีนี้ระหว่างศีลกับธรรมะนี่ยถ้าว่าเรามีศีลอาการของธรรมะจะไม่เคยเล่นอะไร แต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยอาการของศีลก็จะเด่นด้วยอาจารย์ของธรรมะก็จะเด่นด้วยแต่ถ้าเรามีปัญญามากอาการของศีลของสมาธิของธรรมะของสมาธิของปัญญาก็จะเด่นชัดเดนมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าผู้สรงธรรมคือหมายความว่าธรรมะจะอยู่กับท่านตลอดไประดับนี้ไม่จําเป็นจะต้องนับข้อแล้วนะฮะถตานับข้อก็ได้หลายพัน เพราะว่าอาการทั้งหมดมันอยู่ภายใต้การควบคุมจะน้อยนาะกิเลสทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมอีกระดับหนึ่งมันคือไม่ต้องควบคุมบางครั้งท่านก็เรียงลำดับเอาไว้ว่าชั้นแรกม่เรารักษาศีลชั้นที่ศีลชั้นที่สองก็ศีลรักษารลักก็หมายความว่าการเคลื่อนไหวก็เราก็เป็นศีล กายกรรมมจิกรรมที่แสดงออกมาก็เป็นอาการของสีลซึ่งผู้รู้ใคร่ัวนพินิจพิจารณาแล้วก็จะยกย่องจะยอมรับการอธิบายในเรื่องเหล่านี้อย่างที่บอกแล้วว่าแนวการสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นประยายเทศนาในเรื่องของพระสุตตันตปิฎกกวินยัยปิฎกเนี่ย การมาจัดพระวินัยที่จริงมันก็เมี น, นยัยยะอย่างนั้นคือข้อลดหลั่นกันขึ้นไปมากมายกายกองแต่เอาก็จริงมันเป็นเรื่องอาการทางกายกับทางวาจาที่ในช่วงแรกก็คือไม่ให้เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจนถึงไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทําลายสถานภาพของตนเองให้ตก ต, ต่าเสื่อมถอย พอมาสังกัดองค์กรเป็นคณะบุคคลเช่นว่าเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยต้องนึกถึงหมู่คณะนึกถึงสถาบันสงฆ์ที่ตนสังกัดอยู่เกิดมาเป็นลูกหลานของสกุลจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงสกุลพอมาถึงจุดนี้แล้วมันดีถายาทชั่วถีายาแล้วอาการของธรรมะมันโดดเด่นขึ้นการเคลื่อนไหวก็มีอาการของสีลสูงขึ้น บรรยายหนึ่งทรงแสดงไว้ในปฏิสัมภิฐามัิญาณในคาถาคือเรื่องค่อนข้างจะละเอียดก็มีการจำแนกออกไปเป็นสองระดับใหญ่ระดับแรกก็เรียกว่าศีลมีที่สุดคือหมายความว่าก็มีกุศลในเจตนามีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของศีลแล้วก็เห็นโทษของการไม่มีศีล แต่ปัญหาว่ามันมีความเข้มแข็งขนาดไหนคือสีมันเป็นภูมิจิตได้สิเปล่าลาักษณะเหล่านี้มันก็เหมือนกับร่างกายเราทุกคนที่มีสุขภาพพานามัยแข็งแรงมันก็มีภูมิต้านทานโรคอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าโรคระบาดมันแปรงเนี่ยเอาอยู่ไหมละ่ะถ้าไม่อยู่มันก็ต้องเกิดโรค ันศีลมีที่สุดหมายความว่านในบานครั้งเนี่ยลองดูตัวอย่างง่ายๆนะปะส ม, มัติ์เราสมาทานศีลทั้งห้าข้อไปแล้วเราไปถึงเจอภัยอันตรายที่มาถึงตัวแล้วเราก็มีมีโอกาสที่จะต่อสู้ป้องกันตัวหรือทำลายสัตว์ต น, นั้นได้แม้จะไม่พกพาสาวุธอะไรอยู่แต่ก็มี วัตถุสิ่งของพอจะใช้ป้องกันตัวแล้วก็ทำลายสัตว์เหล่านั้นได้ปัญหาว่าเราจะเอาศีลหรือว่าจะทำลายสัตว์มันตัวนั้นก็เลือกได้อย่างเดียวถ้าเราต้องการรักษาศีลเอาไว้แบบจามรีรักษาคนหางก็ต้องยอมแต่บางครั้งก็ เสียดายชีวิตมากกว่าศีลก็อาจจะต้องฆ่าสัตว์แล้วก็ต่อศีลใหม่มันก็มีทั้งสองอย่างท่านเล่าถึงพระธุดงก็เล่ากันค่อนข้างปรำปรานนะฮะมีเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านบอกว่าพระธุดงท่านไปธุดงในป่าแล้วก็นอนหลับมันเจองูเหลือมขนาดใหญ่เนี่ยมาข้มือบท่านเข้าไป คือกลืนมาทางเท้าที่จริงกลืนทางเท้าถ้าหากว่านอนเท้าไม่ทับกันเนี่ยกลืนยากกันนะคือน่าจะกลืนมาทางศีรษะแต่ก็ปรากฏว่ามันกลืนมาทางเท้าองค์หนึ่งพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเกือบเสเอวละท่านก็เอื้อมมือไปหยิบปี่โกนในย่ําก็ไม่ฆ่าหรอก ท่านแต่เอามาถือไว้ตรงที่ระหว่างปากของงูนะฮะ ง, งูเข้ามือปั๊บไม่กลอนก็าบาดขาเข้ามือดปั๊บมาไม่กลอนก็าบาดขาเข้ามือเข้ามาไม่กลอนก็าบาดโดนเขาหลายทีงูก็ต้องกลืนต้องคายเลยมันไม่ถึงตายแต่ว่าบาดเจ็บก็คงจะนานจึงรักษาหายพระรูปหนึ่งก็โดนอย่างนั้นเหมือนกัน มันก็เกินเข้ามาเยอะแล้วก็รีบมานะัศสิการกรับรมาฐานเจริญกรรมาฐานพิจารณาทึ้งกายก็บรรลุมรักผลไปก่อนที่จิตจะดับพิจาจ้คือก่อนจะตายนะก็แสดงว่าองค์แรกนั้นเอาชีวิตไปก่อนศีลก็ว่ากันใีหลัง องค์ที่สองมันก็เอาชีวิตเอาศีลไว้ให้ได้ก็ตายเป็นตายไปเพราะมันก็เพียงแต่ตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองก็แสดงว่าท่านรูปหลังก็มีมรณสติรอมรอณ า, านุสติอยู่เสมอและทางเลือกแบบนี้มันก็มีอยู่ทั้งสองฝ่ายเราดูตัวอย่างกลุ่มบุคคลซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับมากนั้นก็คือราชวงศ์สกยะ ในปีสุดท้ายที่พระเจ้าจะปินิพพานเนี่ยราชวงศสักยะถูกกองทัพจากสาวัตถีดยการนำของพระเจ้าวิทูรเถพกรณ์ที่จริงก็เป็นหลานของพระเจ้าหมหานามนะฮะกษัตริย์แห่งกระบิลพัทแต่ว่าท่านก็แค้นใจที่พวกสักยะดูมินท่านทว่าท่านแม่ของท่านนั้นเป็น ธิดากรสัตรแต่ว่าไม่ใช่คือว่าแม่ของท่าน่ะเป็นทิดาของพระเจ้ามานามแต่ว่ายายมันเป็นทัสสีหรือเป็นพวกวันนาตา่ําก็เข้ามาแก้แค้นตั้งครั้งที่สามนะครั้งที่สองสองครั้งนะ้ะพระเจ้าส่งปรากฏพระองค์เป็นทํานองห้ามแต่ก็ไม่ได้ห้ามโดยตรงหรอกพระเจ้าวิถุสภะก็เคารพมากกับพระพุทธเจ้ า, จาก็ไม่กล้า ก็ยกวองทัพกลับสองคราวพอคราวที่สามเนี่ยผู้เจ้าก็มองเห็นว่ามันกรรมมันมาถึงป้องกันอะไรก็ไม่ได้หรอกแล้วมันจะเพิ่มบาปให้แก่ผู้วิถูดภะาอีกด้วยก็เลยก็ไม่เสด็จแต่มาถึงนิท่านเหล่านั้นยินดีที่จะรักษาศีลมากกว่าชีวิตพวกหนีได้ก็หนีใบพวกเล่นเหลี่ยมนิดหน่อย เช่นเอาใบไม้มาคาบไว้ก็ถามท่านเป็นสากยะหรือเปล่าบอกไม่ใช่ใบไม้ก็เรียกว่าที่เรียนอยู่ลิดหน่อยแต่บางคนท่านก็ยอมตายแต่ก่อนนั้นเนี่ยท่านก็ยิงธนูไปให้เสียบอยู่ตามตัวของทหารจากสาวัถีเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าพวกเธอถ้าฉันฆ่านี่ตายหมดทั้งนานแล้แต่ฉันไม่มีเจตนาฆ่า ัลทหารเรานั้นเองก็มีความรู้สึกอยู่สองกระแสกระแสหนึ่งมันค่าไม่ไหวหรอกคนมีคุณธรรมสูงแล้วเขาก็มีสถานะเหนือกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขนองนะฮะเบียดเบียนคนที่ไม่ไม่ยอมสู้นี่เขาก็ทากันไปตัวอย่างเหล่านี้เป็นการชี้ว่าสักยะมันพัฒนาสูงมากจะรอมยอมสละชีวิต เพื่อรักษาศีลตนไว้ให้หมดจดแบบจำริรักษาคุณหางดังกล่าวตนศีลพวกนี้บางครั้งเนี่ยอาจจะยอมร่วงละเมิดเพราะว่าลาบบางยศบ้างสันเริญบ้างญาติบ้างครูบาอาจารย์บ้างก็แล้วแตนะ่แต่ว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยมันสามารถจัดการได้ใหตุการสมัยหนึ่งเกิดขึ้นสมัยพระเจ้าวัตกามินิอภัยที่ลังกาทวีต คือพวกทมินจากทามินนาดทูที่ที่ทยังยุ่งทุกวันเนี่ยนะก็ยกกองทัพมาแย่งมืออนุราธปุระพระเจ้าวัตกาเมเนียภัยก็ต้องเสด็จหนีคือแพ้กองทัพเป็นเสด็จหนีไปอยู่ในป่ากับพระติสสะก็เรียกว่าบาละมัสสุติสสะก็พระก็ดูแลใจใสท่านนะ ปกป้องรักษาแต่ว่าถึงคราวจะ ก, กู้ชาติเนี่ยมันต้องถึงทางเลือกว่าจะเอาอะไรก่อนละ่ะมันซ้อนกันอยู่หลายๆเรื่องในสุดพระกุณหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูงในการรบสึดเลยจัดซ้อมทหารขึ้นเป็นกองทัพแล้วดีวก็ยกกองทัพเข้ายึดอนุราธปุระขับไล่พวกธรมินออกไปจากลังกา สถาปนาพระเจ้าวัฒนารม็นยภัยกลับเข้าครองแผ่นดินและตัวแม่ทัพนะฮะตัวแม่ทัพต้องกกลับบทใหม่จากการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วกลับบทใหม่ก็บรรุเรนเมาขเป็นพระหัต์ไปได้วนั้นก็แสดงว่าเมื่อจะเอาให้ได้ทั้งสองฝ่ายมันก็ต้องมีวิธีการแยกแยะออกไปชัดเจนแต่ถ้าเจ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็ อ, อาจจะต้องเสียอีกฝ่ายหนึ่ง สมมติว่าเรารักสียข้อที่สองมาไปพบเงินที่เขาวางทิ้เงเอาไว้ถ้าไม่มากเนี่ยไม่ก็มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าทั้งบีบทั้งดึงเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันหมายความว่าเราเองก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ แล้วก็ครอบครัวเบื้องหลังก็มีปัญหาเรื่องเงินก็เดือดร้อนกันแล้วพอดีไปเจอเงินสมมติว่าก็ใส่กระเป๋าไว้หนึ่งล้านบาทปัญหาว่าจะเอาสีนหรือเอาเงินนะตรงนี้สินมันจะอยู่ในระดับมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดมันก็อยู่กันตรงนี้ก็แสดงว่าตัวเงินจำนวนล้านบาทเนี่ยมันก็ยู่วให้ยาก พอถ้ารู้สึกในขณะสั้นๆแล้วเนี่ยคล้ายๆจะสําเร็จประโยชน์ไปหมดเลยแก้ปัญหาต่างๆตกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาใหญ่นะะทีนี้คนเราทนาน่ามือขึ้นมามันไม่ได้คิดไกลขนาดนะั้นมันคิดใกล้ๆปัญหาว่าจิตใจท่านเป็นยังไงผลการรักษาศีลตรงนี้บางทีมันก็แกว่งแลวงไปแกวงมาแล้วก็การแกว่งนี่มันเป็นเรื่องปกติสาหรับสาบ้ชน ก็ น, นึกถึงพระอาหารหันต์รูปหนึ่งที่ท่านทเที่ยวบวชเที่ยวศึกอยู่ตั้งเจ็ดครั้งเจ็ดคราวนะก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไปเห็นแก่พัญญาแต่ว่าตอนบวชท่านรักษาศีลดีเป็นพระที่มีศีล า, าระณะน่าเคารพนับถือแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็คิดถึงพัญญาโอยนะอลัยแล้วก็สื่อสาเพศออกไปเรียบร้อยนะถูกต้อ ง, งนะคร ถึงจุดหนึ่งก็เกิดเบอร์หนก็อขอบวชก็เที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยชื่อท่านเดิมมีชื่อยังไงนี่ไม่รู้แต่ว่าเราดูชื่อเนี่ยก็แสดงว่าเป็นชื่อใหม่เรียกว่าเดมิตรกนามคือเพื่อนเรียกตามพฤติกรรมของท่านเรียกว่าจิตตาหัตถะกความว่าประพฤติกรรมไปตามอํานาจของจิตคือจิตคิดยังไงก็ไหลไปเรื่อยๆแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็พญาท่านมีคันแก่แล้วก็นอนหลับอยู่ตอนเที่ยงวันท่านกลับมาจาทํางานเข้าไปในห้อง ประตูเปิดเอาไว้ก็ดูพญญา น, นอนคนท้องแก่นอนนะครับป่วยนอนแล้วก็คลางกลืนน้ำลายไหลทล้มนยืนพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามามันด้วยสุภาษของกรรมาฐานที่สะสมอยู่นในจิตสันดานของท่านเนี่ยมันก็ออกมาช่วยแล้วพิจารณาจนถึงจุดหนึ่งก็เห็นเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิพพานสั้งขาญทั้งหลาย แต่เรนมีปัสศนาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็บรรลุมรกรเป็นมาโสดาบันตรงนั้น <Okay. S 1> แล้วก็เดินตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะไปบวชแล้วก็จบลงด้วยการได้บวชได้บรรลุมรกรเป็นพระหานในที่สุดถึงแม้นั่นก็คือแหวงแหวงไม่เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ควรจะซ้ําเติมกันเพราะว่าทุกคนมันแหวงได้กันนั้น มันเป็นการต่อสู้กำกึ่งระหว่างธรรมะกับกิเลสก็ใครแรงมาคนนั้นก็ดึงไว้ได้แต่ใครที่แรงอ่อนไว้ก็พ่ายแพ้ไปในช่วงขณะนั้นแต่ว่าไม่มีาการแพ้การชนะที่ถาวรดาบใดที่ยังเป็นศีลที่มีที่สุดคือแสดงว่าเป็นหวั่นไหวศีลยังมีความหวั่นไหวอยู่อีกดับหนึ่งนั้นเป็นศีลที่ไม่มีที่สุด หมายความว่าบุคคลในโลกนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จะให้ท่านล่วงสิกขาบทที่สมาทานไว้เนี่ยไม่ว่าประเหตุอะไรก็ตามท่านจะไม่ทำแม้เขาจะมา้าบมาขู่มาบังคับก็บทำอะไรท่านก็ตามเนี่ยท่านจะไม่ยอมล่วงละเมิดสิขาบทที่พระโลกนาถทรงบัญญัติไว้นั่นก็แสดงว่าพวกนี้สมาทานระดับก็ เ, เรียกว่าสมุทเทวรั ซึ่งสมุทรเทวีรัตน์แนวหนึ่งในที่จริงก็เป็นสามัญชนนี่แหละแต่ว่าเด็ดเดี่ยวมีความเชื่อมั่นแล้วก็เห็นคุณค่าของศีลชัดเจนการสัมผัสโ ด, ดยตัวของท่านใครไม่เห็นท่านก็เห็นของท่านจะสมมติว่าท่านผู้หนึ่งอธิษฐานเด็ดขาดว่าตลอดชาตินี้จะไม่ดื่มเหล้าเด็ดขาดแล้วก็มีคนมาบางังคับให้ท่านดื่มท่านก็ไม่ดื่มก็คุยจะฆ่าก็ฆ่าก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน ข่าวก็ตายเร็วขึ้นแถวนั่นเองไม่ข่าวก็ตายอยู่แล้วอันนี้คือศีลแบบสมุทเฉตตวิรัตแต่ถ้าหนักแน่นจริงๆคือเชื่อมั่นได้จริงๆเนี่ยต้องขึ้นถึงระดับปะโซดานะเพราะปุถุชนนี่ไม่แน่หรอกเอาก็จริงๆริงหรือจิมก็แกว่งราลองดูคลายๆกับเนี่ยเรื่องตอนหนุมานไปทำลายตบะของทศกัณฐ์ตอน ป, ปลายเรื่รามเกียรเนี่ยแหละ เราใจเราทศกาณฐที่จริงก็แข็งแข็งนะจิตใจเด็ดเดี่ยวมันคงมากไปว่าอนุมานจะยุให้โกรธยุให้ ย, ยุให้อยากอะไรต่างๆกับยุให้โกรธสบประมาทดูถูกดูหมิน่นสับสีวงพรเมตอะไรต่างๆทำไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ถือว่าผ่านด่านมาเยอะแต่พอถึงจุดหนึ่งอนุมานจับปอนางมณโฑมาปุยีปุยยัข้างหน้าเสียเชิงชายนะตาบะแตก เห็นไหมเพ ร, ะระาะรั้ของทศกาณก็อยู่ในประเภททดียวมันที่สุดแต่ว่ายานางพระมณีคนหนึ่งแต่ท่านเป็นพระโสดาบันนะคือธนัญชานีพระมณีท่านอะไรก็นโมตสสะเพราะว่าตัวราตโตสมมาสมทาุทธตสสะอยู่เรื่อยเสามีนั้นนับถือพราหมณ์ท่านนับถือพุทธอยู่ครอบโกดเดียวกันวันหนึ่งสามีเลี้ยงพราหม์ก็สั่งพัญญาว่ายังไงยังไงวันนี้ขอตะวันนะอย่าระลึกอย่า ประกาศพระนามของประสมนาโคโดมจงเป็นศาสดาของเธอพวกพราหมณ์ก็จะน้อยใจนางไม่รับประกันแต่จะพยายามพอถึงจุดหนึ่งมันเกิดเดินแล้วก็ไปสรุปมุมเสือมันก็พลาดไปหน่อยขึ้นนโมตัสาเลยพวกพราหมณ์โกรธก็ลุกขึ้นด่าแล้วก็หนีกลับไปสา ม, มินก็โกรธมากเลยก็ชักดาาขึ้นมาจะฝัน ค่าไตานั้งก็บอกเอาฆ่าสิตฆ่าสิเธอก็ฆ่าได้เฉพาะร่างกายของฉันเท่านั้นเองแต่เธอฆ่าจิตใจฉันที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพรมองค์คนดีเลยไม่รู้จะทำยังไงที่ในที่สุดที่มาดา่าพระพุทธเจ้าเนะเป็นการด่ากระทบไม่ใช่ด่าตรงๆน้องชายคนที่สองนี่มาด่าตรงๆถามพระพุทธเจ้าว่าสัมปณะโคดม ท่านกล่าวว่าฆ่าอะไรแล้วจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรแล้วจะนอนเป็นสุขนะบุคคลสันสมัมมนะโกโดมสรรเสริญการฆ่าอะไ ร, ระเจ้าก็ส่งแสดงว่าฆ่าความโกรธเสด็ก็จะไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธเสด็จก็จะนอนเป็นสุขไปเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษนะแต่มียอดหวานก็พรามก็ชัดเจนนะฮะเข้าใจ แล้วก็ศรัทธาเรื่องใสในสุดก็ออกปวดเป็นภิกษุต่อมาก็บรรลุมะขุนเป็นพระหันะฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างคือตัวอย่างบุคคลนี่มันมีแบบให้เราดูอยู่แหละเพียงแต่ว่าเรากระโดดข้ามขั้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคงจะยากแต่ว่าพย า, ายามไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ขึ้นไปเรืยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าสีไม่มีที่สุดคือใกล้สีไม่มีที่สุดขึ้นไปพอใกล้ก็ไปตามลําดับ มีความหนักแน่นมันคงขึ้นนะสมมติว่ามีปัญหาเราลอดด่อโดยเงินลอดด่อโดยผลประโยชน์คู่จะฆ่าอะไรก็ตามเนะียแต่บางคับพเ้เราต้องทำช่วยแล้วเมื่อศีลเนี่ยมันถึงคราวจะต้องตัดสินใจแล้วอายุปาดนี้แล้วอยากจะฆ่าก็ฆ่าเถอะแต่จ้าเราทำชั่วบาปมันติดตัวนะแต่ศีล น, นี่ติดตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะนำไปสู่สุคติแต่บาปติดตัวและนาไปสู่นรก าการตายมันตายอยู่แล้วตายเร็วขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่ว่าตา ย, ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นพุทธเจ้าก็หมายเออ เ, เป็นเป็นแถวพุทธก็หมายความว่าไม่ยอมละเมิดศีลที่พระโลกกัจ้าสพระโลกกนณฐสง่งบัญญัติเอาไว้แม้จะต้องเสียชีวิตนี่ก็คือลักษณะของศีลบา ร, รมีที่ขึ้นสู่กระแสสูงนะฮะระดับที่สอง เจ้าฟังเท่าไหร่แต่หลวงปู่พธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้เวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อกรามไปบุญในธรรมสมเ ด, ด็จท่านผู้ฟังเท่าไหร่ด้วยตัวกันสวัสดี